ถ้าอย่างไงต้องหาทางออกนะถ้าขืนดูอย่างนี้มันอยู่อย่างนี้แหละไม่รู้ติดภพติดชาติไม่รู้กี่ภพกี่ชาติมันจะอยู่อย่างนี้แหละแต่ถ้าว่าท่านออกสสแสวงหาทางท่านจะเจอทางแ ล, แล้วก็จะเจอมรรคเจอผลถึงมรรคนิพพานแล้วก็จะไม่มากลับมาอกีกมาเวียนว่ายตายเกิดเป็นความสุขอนันตการ ไม่มีความทุกข์เข้ามาเจือปนท่าน ต, ต้องสา ะ, ะแสวงหาทางนะมัคคะมัคคะหนทางมัค8ปดนะ ห, น, หนทางมีอยู่แดทางที่จะเดินไปสู่มัคผลนิพพานสมมธิทิคือความเห็นชอบนะเป็นเบื้องต้นสมมธิทิสมม า, ส, มมาสังกโปโรการงานวาจาพูดกรรมโตการงาน อาชีวโวเลี้ยงชีวิตนี่แหละอันนี้ก็คือมัจแปดสัมมาทิสสะมาสังกปวัจจาคมันโตอาชีโววายโมสติสมาธิให้เดินตามทางสายนี้ถ้าท่านศึกษาแล้วก็เดินตามทางสายนี้ท่านจะถึงมัจถึงผลได้อันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าพระหารทสาวก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 คนที่มีจิตใจเฉลือเผื่อแพร่จะไม่ปูกพยาบาทอาฆาตจองเวรจะไม่คดไม่โกงไม่ป่นไม่กี้ไม่ลักไม่ขโมยใครเพราะคนมีจิตใจเผลือแพร่จิตใจที่เฉลือเจือจานจิตใจมีการเสียสละนมันตรงกันข้ามกับเหล่านั้นตรงกันข้ามกับเห็นแก่ตัวอันนี้ก็คือฐานเบื้องต้น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 อันนี้แหละเป็นเบื้องเป็นพื้นฐานลเลยนเป็นพื้นฐานที่จะเข้าเดินทางเข้าสู่มรรส่ผลในเมื่อสติเราดีใจของเราไม่ออกนอกลู่นอกทางใจของเราอยู่กับที่เ อ, อิบอิ่มมีความสุขจากนั้นใจของเราจะรวมสงบเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งเป็นพื้นฐานแห่งความสงบแล้ว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 เห็นซากศพคนอื่นเราก็ไม่แพ้กันอีกสักวันหนึ่งเราก็จะต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างแต่ถึงยังไงก็ต้องหมดหมดลมแน่ๆล่ะตัวของเรานี่ยมาพิจารณาดูตัวของเร า, า, า, ร, น า, นเ ร, าร่างกายของเรานี่มันไม่ใช่อีกสักวันหนึ่งนะถึงจุดจบแน่ๆนะอันนี้คือใจทําความเข้าใจในใจใจคืออะไรใจคือตัวผู้รู้ที่ว่าโทษผู้ววรู้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 ร่างกายอย่าให้เท่าแก่ชรานะให้อยู่ตามสภาพนะให้สวยงามตลอดไปนะใจนีอยากจะให้ร่างกายเป็นปกติพยายามถนุถนอมพยายามเลี้ยงอาหารพยายามหลับนอนพยายามออกกําลังกายพยายามให้ดีที่สุดใจคือนม้มมาทำนะพยายามถนุถนอมร่างกายแต่ร่างกายที่มันไม่ฟังใจแหละน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 แต่กายนี่ก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอไม่ฟังใจแผลใ น, นสุดร่างกายถึงจะรักษาขนาดไหนก็แตกตายถ้าระใจของเราเนี่ยไม่เด็กมองตัวตัวเองขึงมีแต่ประวัตวานมิแต่ดูแต่ร่างกายของตนเองอยู่ตลอดไปล่งเวลาเพื่อจะทะนุถนอมร่างกายโดยที่ไม่ได้คิดว่าร่างกายถึงจะทะนุถนอมขนาดไหนก็เถอะนะใจนะเรานะ อีกสักวันหนึ่งมันจะต้องพัดภาคจากไปนะเราควรจะทำประโยชน์อะไรให้ร่างกายทำประโยชน์อะไรให้เราเใจต้องสั่งสั่งให้ร่างกายเหมือนกับเราขับรถส0บร้อนะเราจะทะนุถนอมออไม่ได้ใช้รถสิบร้อมีแต่หาน้ำมันเครื่องติดอยู่ตลอดเห้อให้ร์สิบร้อติดอยู่ตลอดมันขาดน้ำหาน้าใส่มันขาดน้ ำ, นำมันหาน้ามั น, น, มนใส่มีอะไรต้องใส่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 เข้าสู่อวกาศไปเลยนะไม่ต้องมากลับมาใช้รถนี้อีกต่อไปนี่แหละคือจากนั้นก็ท่านก็บำเพ็ญอย่างสุดๆหาฐานยะสร้างยานอาวกาศถึงคือว่าทำให้ดีที่สุดรอบครอบที่สุดเหมาะสมที่สุดถูกต้องที่สุดคือมักแปดจากนั้นก็ท่านก็ทำเเสร็จเรียบร้อยแล้วกันนั่นหละ